ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านม า, าพระในจังหวัดชายภูมิก็เป็นข่าวนะทั่วประเทศวงแรกก็คือหลวงพ่อของเราเป็นข่าวเพราะว่าทานัทมรับภาพแล้วก็มีพิธีตรงสริราของท่านอย่างที่เราทราบกั น, นวันที่หกหลังจากนั้นสามวันนะก็มีข่าวมีเหตุการณ์ที่คนเขาจับตาจ้องมองทั่วประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่า